ทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่28มีนาคม2 5งพนาณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีอันนี้จะอธิบายรัตติปัตธาทิชมุตหิจ่ พระสาวบทั้งหลายท่านดำเนรตึงแบบตายตัวสูุทอดกันมาเป็กนกำลังให้บรรดาท่านจิตฝังกันิสัย โอกาสอันควรองค์ของพระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกชมพระนวห ร, รู้สึอว่ารับพระไทยอย่างเต็มที่และออกเวลาสงัดไม่มีใครจะทราบได้เลยวนะ่า องเด็จเรื่องอะไระลตลอดถึงความเป็นความตายไม่มีแครทรามได้ในคืนวันนั้นจะทราไมได้ก็เมื่อนายชนะออกมได้กลับมาจากที่สุพนรณ และเมื่อเสด็จออกไปทั้งๆ ท, ที่พระองค์เป็นกระสัิย์ะนังก็ต้องเปลี่ยนสภาพทุกๆอย่างจากความเป็นกระสักลายเป็นคนณัรงนั้นลา่ยิ่งกว่านั้นก็ทำพระองค์ให้เป็นคนขอทาน แล้วสมัยนั้นไม่ปรากฏทธมากษาสนามพุทธคือพุทศษาศนานี่ไม่มีสิ่มในเนคนจรงไม่มีใครจะสนใจใค่ต่อบุญต่อคผูนี้ไม่ได้ประสบพ บ, พบทธิ์านาี้ตรงภาษิทธาษาพระคุมมารออกหมดฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนธรรมนา สะดวกในการอยู่การไปการมาการพบกามฉันการใช้สอยทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อพระองค์ในเวลาหนึ่งรู้สึกจะเป็นความลำบากนนาไม่นอนเพราะไม่มีใครขอสัต่าเพ เมื่อมีใครเขาศรัทาคนา้นรู้ใจว่าศาสนาไม่หยู่พระพุะธเจพระสุทัศนานาสกุ ม, มันที่ออกเป็นพระเดชออกทำพระองค์เป็นลังหวดช่นนั้นท่านจะพระเดชอยู่ในที่เช่านไรที่พักที่อาศรรยัยก็ไม่เหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ และไม่เหมือนสมัยที่ประพธธุติเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนคนให้รู้ดีทั่วมาบุตคนโคนแล้วการอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องขนานาฐาอยู่โดยดีขนานฐาทั้งที่อยู่ที่อาศัยขนาฐาทั้งจระดุกปัใจเรื่องเว ย, ยาธาตุ เมื่อเป็นเช่นนั้นความที่พระองค์เคยมีความสุกดิในทางโลก mm hmm. ก็ต้องถาบลงทันทีเหลือแต่ความเป็นคนๆนั้น mm hmm. ความเป็นความยังมาในการอยู่การไ ป, ปการมาการพบการพบแม้จะเป็นเช่นนั้นพระไทยที่มี ควา ม, ม่งหวังเพื่อจะบำพเพ็ญพระองค์ให้ถึงแดนแห่งความทุกข์และเป็นสัสด่าของโลกนั้นไม่เคยครอพระทัยภายในของพระ อ, องค์เลยใครจะรู้ไม่รู้ใครจะสนใจไม่สนใจในพระ อ, องค์ก็ตามหน้าที่ที่จะทรงบำเพ็ญเพื่อพระ อ, อ, องค์นั้น ไม่เคยทอดทิละและทอถอยเพงบำเพ็ญไปตนนลอดสีหลากตามที่เราได้ทราบแล้วในสัญญาประวัติของพระองค์เมื่อคืนสุดท้ายมอเป็นเหตุให้ทรงรู้สึกโคตแงการบำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้น ซพ่งเข้าใจว่าถูกต้องและทรงเห็นคุณในอนาปานาัติที่เคยทรงบำเพ็ญตั้งแต่ข่าวัางทรงพยาวยู่จึงแม่น้อมเอาอนาปานาัติมากำหนดทุกงานะ ครับความสงบเงยือกเย็นขึ้นในทีันันะ้นเมื่อความสงบเงยือกเย็นภายในใจได้ปรากฏขึ้นก็เหตุแห่งธรรมที่ถูกต้องตามพระบริของพระองค์แล้วความสว่างของพระปัญญาก็่แสงขึ้นมาในระยะนั้นเป็นเทตดใ้รู้เรื่องทั้ง พูดนี้ว่าชาติต่างก่อนรว่าได้เดืดมาอย่างไรไปอย่างไรไม่เลยสวยชาติเป็นอะไรอะไรบ้างวัตถุาปาฏยานความขวดความดับหรือความทุกตทของสัตว์เ่อนจากพบมีแล้วไปสู่พบไหนมัง่งก็สราบขอจวนเป็นปัจจิมยามจวนสว่างพระปัญญาก็ คนดูเรื่องปฏตยานการกันเป็นรากเงาพบทหตุฆ่ า, ท, าที่มีในตำราว่าอวิชาปฏิญาตั้งข่าลังเป็นต้นเมื่อหนึ่งรงคนเข้าไปเป็นงำนึก็สามารถทำลายอวิชามนาะกลายเป็นปัจุติจ้าสิน<ม>ในคืนรวมนหตุผลนน ระยะที่ทรงมัน่นึ้นมาตั้งแต่วันเสด็จออกพนวษที่แรกจนถึงวันตัดสรูเป็นเวลาหปีในระยะ น, นี้เรื่องความสุขทางด้านพระกายนั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าของเรา เ, เพราะเป็นแบบปรญน า, าลดตำแหน่งจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงขันานถ า, านแล้วจ้องทุกแหลม้ารแต่พระทัยที่มุ่งในอัรถมนั้น ไม่ได้ทุกร้อนแต่ต่างมีความมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โดยใจเยีนนี่แหละเป็นวิหารธรรมให้พระองค์คงได้รับความความดีสัคยพ้อมีเส็นที่ตั้งไว้ในความพ้ทุกข์อันหนึ่งก้บเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็โดยจพยายามจะแนะนำ ส, สอนสรชารู เทาที่จะเป็นประมาณมังกรก็แสดงว่าพระเป็นตะวกีทแบบั้งางาชนตาตกเป็นทาเดียบุคคลขึ้นมาเป็นนันนั้นแต่จากนั้นพระกัจ า, านาก็ว่างฝังออกไปแต่ปฏิปทาที่พระองค์ทรงนำเน้นอย่างไรซึ่งได้ตร จ, จะรู้และอยู่ในพฐานที่เช่นไหนจรจึงปเป็นไปเพความสะดวกในการมบำเพ็นเพียรนั้น นามาแสดงเกดกันมาสาวกทั้งหลายตหลดมาดังนั้นคำว่าลึกโมยเลื่นนาปเป็นปนังอุตตะพะปัญชัยพทธยโวยาวกีรังอุตตาโห่งแก่นิลซึ่งแก่เนื้อความว่าท่านทั้งหลายในบทในระศาสนาแล้วจงหาอยู่ตามลวมไม้ชายเขาและจงทำความพยายาม อย่างนี้เป็นตลอดชีเิตถเ้าวาดเช่นี้จึมีตลอดมาจนกระ ท, ทั่งถึงกวันแี้วบรรดาสาวกทั้งหลายก่อน้ะ ด, ดำเนินต่อ้วยความสมบงบเฉยาหาที่เชนนั้นเป็นที่เคลียใสบำเพ็ญตนดีจนกระทั่ ง, ง, งระดับสรุปจนล่มหลับล่มหรับมาปรากฏว่า มีสาวมุขละหันจำนวนไม่น้อยนับตั้งแต่วันประพุทธเจ้าตรัสสรุปจนวันนี้ผ่านการทั้งหลายก็ไม่สามารถจะนับได้ว่าท่านผู้ตรึงความพ้นทุกตามพระพุทธเจ้าให้ทันในเวลานั้นมีจำนวนเท่าไหร่แล้วาพระสาวมุขละหันทั้งหลายเหล่านี้ดำเนินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงนำมันมาตกมาสมัย ตัววันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินยุสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านปรารย์สาท่านจังมากมท่านก็ลยล่วงลงัไปแล้วต่อจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติถ่ายทอดกันมาเป็นลำหนักเสมอผูที่หังความพ้นทุกในเพศหงนักบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้น แต่ถ้าเพาาิ่อคาวาสจะทำอย่งนั้นไหมนะธรรมะซึ่งเป็นธรรมอันคงที่คู่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักธรรมะนั่นแหละผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมเป็นของคงที่ที่เสมอหมืนกันม่ไน้รับ าถักระไมไปจากข้อแบบนี้เราแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชอย่างท่านก็ตามดูไต่อุตสาห์บำเพ็ญตามโอกาสตนน่าวๆของเราทช่นนี้ก่อนรับว่าเราไม่ได้เสียทีที่ไดพบพระ พ, พ, พ, พุทธศาสนาซึ่งเป็นของดี ประกาศที่แนวทางที่ถูกต้องไว้ผูอปฏิบัติไม่ว่านักบวชไม่ว่าครว่าสต้องตั้งหน้าสาอุปสรรคด้วยกันครับคุกทุกอะไรทอดคุกอย่าง โดยมากที่มีอยู่ในใจิตใจต้องเป็นอุปสรรคต่อทางโดยกรปฏิบัติตามธรรมต้องฝืน อ, อุปสรรคเหล่านี้การลบก็ต้องลบกับข้าศิกไม่มีข้าศิกไม่ทราบจะลบกับอาไรการปฏิบัติธรรมคืยการลบข้าศิกภายใน ก็ต้องมีทำเป็นทัพเป็ น, ปนทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความไม่สะดวกกายไม่สมายใจภายในเราว่าเป็นข้าสิบต่อเราโดยทยเดียวเราควรจะมีอุบายวิธีที่แลนาสิ่งที่เป็นมุกษ์นั้นให้รู้ เป็นลาดับไปเรื่องอุปสรรคระลนันจะค่อยลดหย่อนผ่อนไปเป็นลำดับไม่ใช่จะเป็นอุปสรรคอยู่ตลอดกับตลอดกันถ้าเป็นผู้สนใจใกล้ต่อกันพิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตันเองธรรมะวิเลศก็คือเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ให้ชื่อเป็นสน่วนรวมวิเลศเท่านั้นเอง รือว่าอาจารย์ผู้ท่านตาปดที่ีนามคทำตัวของท่านเจนเป็นชื่ร่มใจเกิดประชาชนท่านก็ต้องทําอย่างนั้นเองไอ้ใครหยิ่งเฉที่เลสตัณหาจะตกไปความสะดวกการสมาแจงถนัดความิบุ่อขุดจะตาปดขึ้นมาเองศาสนาก็ให้เป็นของจําเป็นการกระทําทุกอย่างก้องเมื่อต้านมีร่ามีตน มแบบมีแผนตำลับตำลาที่หลักที่เกินไนาเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น ม, ม, ม, ม, มาได้ตามธรรมนาของตนการพยายามบิดลมก้วยกดเองถึงจะได้มาแต่น้อยก็เป็นที่ัดของเราไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปนันขัดข้องอที่ตรงไหน ให้คือเอาความขัดข้องนั้นเป็นสถานที่ที่แกมาเราจะไปปรุงแต่งแก้ไขความขัดข้องที่เกิดนั้นให้เป็นอย่างดีไปนอกจากพระพุทธนาวุเหุผลทั้เห็นทัศตามเรื่องความขัดข้องนั่นแล้วเขาจะดับไปเพราะพุทธนาวุเหตุเพิ่เดียวกับโรคที่กำลังกําเริศเเมื่อสิบล้านแสกคนกำลังไป ถ้าไม่ถูกกับยาเราจะบ่นมันดังคํา่องหาก็ไม่หาเราจะไปแสดงความดีใจเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไปไม่ว่าความดีความชั่วต้องมีการเกิดแย่แบบไปเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เกิดแย่ต้องแบบคู่ที่รู้ว่าสุขว่าทุกข์เกิดริดสุขเกิดคุกแบบไปฉุกดแบบไปนั้น น, นั่นเป็นสภาพนั้น สภาพอันนี้เป็นของคงที่ไม่เคยดับไปกับทู่ใดดับเรื่องใดเพราะนั้นเราจงแยกเสมอว่าสภาพใจที่ตากวดขึ้นสภาพนั้นต้องดับกระดีหรือเที่สุขอทุกความตกเศร้าหรือรุ่นเมื่อเปสิ่งที่แส้นมาเพื่อระยะการได้ดับไปแต่ผูดกินรับภาพในสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่มีวันดับเป็นอันหนึ่งกันหนึ่ง เราจะนําธรรมชาติอันนี้เข้าไปทุกค้ากับสิ่งที่เกิดเกิดแบบหลักนึ่งเราจะกลายเปผู้เดืร้อนขึ้นมาให้แยกกันพิจารณาเสมอ ท, ทั้งทั้งจิตคุกคุกร้อ น, อนความรู้นั้นไม่ได้ละบทบาทและยังสามารถจะพิจารณาความคิดความร้อนนั่นได้อย่างสมัยและคุกจะเกิดขนาดไหนและดับไปก็ตัด ธรรมชาตินี้จะรับทราบอยู่เสมอมากทุกเกิดขึ้นมากน้อยแะดับไปเพราะธรรมชาตินี้เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งเหล่านั้นต้องทําความอุปสรรและแยกความรู้ของตนจากสิ่งเหล่านั้นไว้เสมออย่าเห็นว่าเป็นอันเดียวกันคือเรากับลุ้กกับเราแยกกันไมออกก็เพราะว่าเราเห็นทั้งหมดนี้เป็นเป็นเรื่องของเราเจียท่านั้น และเป็นเราเฉยๆ อ, อะไรกระเพื่อมที่ไหนจึงมากบเพือนทุกเราคอยให้ดีใจเกียจใจไปตลอดเวลาตามสิ่งที่มาสัมผัสด้สิ่งที่ปรากฏขึ้นเราจรึงคงตัวอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งที่จะทำความกระเพื่อมนั้นมันมีอยู่กับสารพังร่างกายและจิตใจไม่ว่าส่วนรูปกระทำหรืว่าส่วนนามธรรมามันมีอยู่กับเราทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่เรา สุขภาพทุกส่วนของร่างกายนี้ก็มันก็มีอยู่กับเราความสุขความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในส่วนร่างกายและจิตใจมันก็เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นภายในกาย ใ, นใจนี้มันเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นทั้งๆ ท, ที่เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราหากเป็นแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาถือมาเป็นเราเราจึงกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปเถอะ ธรรมากายเงเรื่องเหล่านี้คืออะไรก็เรื่องชีว์เรื่องทุกข์กเรื่องวุ่นวายตามขึ้นอย่างนี้นั่นเองนิจใจก็หาเวลาเที่ยงลงไม่ได้คงที่ไม่ได้เดิอนอยู่ตลอดเวลาเพราเราปฏิบัติเรากับสิ่งเหล่านี้ไม่คัดต้องต่อกันเรื่องเหล่านี้กับเราจรึงคูกเข้ากันการปฏิบัติทำหรืออบรมจิตใจก็เพื่อจะให้รู้เรื่อง สภาพของใจกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องโดยกเห็นเจนนั่นออะไรจะเกิดขึ้นให้รู้จะเกิดไปทีงไหนให้รู้ไม่เลยความรู้สึกของใจที่ทำหน้าที่รับรู้อทุกทุเกนเนตุกานี้มีวิธีปฏิบัติต่อปัจจุบันนัทธรรมทีกปรากฏขึ้นกันแล้วเราได้ปฏิบัติอย่างนี้ เราจะไปเสียใจดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปความเกิดขึ้นดับไปไม่มีแต่ส่วนร่างกายและจิตใจและอาการของจิตใจหลายคันธุ์สิ่งอื่นก็ยังมีเกิดขึ้นดับไปทั่วทั้งโลกเหตุใดเรานี่ไม่เป็นความทุกข์ร้อนกับเขาแต่ตอนได้ที่เราเริ่มมีความสัมพันเกี่ยวเนื่องหรือปรับพนเอาไว้แล้วม่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะไปเสียใจกับเขาหรือดีใจกับเขานัก นี่ก็เพราะความประสานองใจและความหมายของใจมันยิดไปถึงไหนหมายไปถึงไหนมันก็ต้องเป็นทุกไปถึงนั้นมีความเกี่ยวข้องไปถึงนั้นกระเทือนไปถึงนั้นั่นก็กระเทือนมาถึงนี้แต่เราไม่มีความฉลาดต่อเราแล้วเราก็ต้องรับเคราะเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเคราะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากเคาะห์ดูเคาะหลายเคาะห์ติดเคาะทุก มันเป็นเคาะด้วยกันมันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นจากใจเพราะใจไม่ฉลาดต่อตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกก็ปฏิบัติต่ออารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ถูกมันก็เกิดเรื่องทั้งมันทั้งถูกถามวันนั้นเลยดีถามันนี้เลยไอ้เจ้าผู้หาคือปริศตุเดี่ยวเขาเริ่มหม้อความเป็นหมอความถ้าถามเรื่องเขาเริ่มหม้อความนักความ ที่ตามมาทั้งหมดเกียบเรื่องเกิดขึ้นจากเจ้าเรื่องแต่เจ้าเรื่องก็หลงจิ้งที่เกิดขึ้นกับตัวก็ยิ่งก่อเรื่องมันไปใหญไม่มีเวลาตกยิคเพืจะหาความจิงมาจากที่ ที่ท่านมอบรมจิตใจเพื่อความสงบก็เพื่ออยากจะรู้สิ่งหนงสงบมากน้อยก็เห็นความสุขแล้วจะได้เห็นเรื่องของตัวเป็นยังับตามที่เราเล่าใ้ฟังผ่าน ม, าเม้เมื่อตะกันเมื่อตะครุ่นว่ากระแสของใจนี้จะต้องอาศัยสุสอนทรอยู่ตามส่วนเหล่านี้เอง การพิจารณาจึงเป็เหมือนกน ก, นกับคิน้ำออกจากกระแสค้องใจที่กำลังเสวงหาที่สุขสง้เปิดเผยขึ้นมาแต่สำคัญที่ตรงไหนกัามพิจารณาขรงนั้นสำคัญอะไรกัามพิจารณาอุ่นั้นคิดกะหายล้วงใส่้อนตัวเข้ามาเป็ น, นเงานหมด แต่ห้องติดกัตะล่ไปตัวเข้ามาเป็นจิดให้เห็นเด็ดรับเหมือน ก, นกันกับเขาไล่ตัดเข้าสู่ที่รวมตัวไหนจะตีออกจากหู้มบังข้อหลุมเมื่อไล่เข้าสู่จุดรวมแนีวยักปล่อยให้เพ่นผ่านอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสถานที่ต่างๆไม่ทราบตัวไหน ไปทางไหนหรือจะสูญหายไปไหนก็มีโอกาสจะ่านได้แม่ขโมยเด็กเขาจะมาลักออกไปสักดีตัวเขาไม่รู้ถ้าสัพ์ไม่ได้อยู่รวมกันนี่พอไล่เข้ามารวมกันแล้วตัอไหนจะตีออกไปที่ไหนก็รู้ใครจะมาตกมาลักก็รู้ทันทีลักษณะของใจที่ดีกระแสรวมตัวเข้ามาแล้วกระแสใจจะออกพลาดทิ้งกับสิ่งใด แสดงริยาเ อ, อไปอะไรเอาอไปจากใจเพราะอำ น, นาจแห่งความสงบที่รวมตัวอยู่แล้วย่อมมีโอกาสจะทราบเรื่องของตัวเองนอกจากจะทราบเรื่องของตัวเองแล้วยังจะทำปัญญาให้มีความละเอียดสามารถรู้ชัดและละเอียดเรื่องของจิตมากกว่านั้นเข้าไปรวมเข้าไปเป็นลำหนับจุดรวมของจิต ก็ยังไม่คงที่เมื่อยังไม่ถึงทำที่คงที่เริวมเข้าไปได้เป็นลำหนักไล่ตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เดินของจิตเมื่อไล่เข้าไปจนถึงจนจากจนมุมแล้วจะไปไหนเนี่ยแต่สัต ว, ตว์ก็ยังต้องยอมจำนน ที่ปัญหามีอยู่กับเราไล่ก็ถึงที่จน ม, มุมแล้วฉะนั้นมันก็ไม่ยอมจำนวนมันจะไปไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าจับรู้ได้เพราะไล่ขจิตปัญหาเข้าไปสู่ ม, ม, มุมแล้วก็ถ้าจน ม, มุมพระพุทธเจ้าก็จุดนี้จุดอวิชชาปัจจะยาค่ากั้นก็ค่าท่เมื่อค่าแก่ตัวกอเหตุก่เขีนเสร็จย้ดมันก็ หมดเท่านั้นเรืู่้กันหมดแล้วถึงไม่ว่าหภายนอกภายในรู้ทั่วถึงกันทีนี้อะไรจะมาทําความยุ่งยากให้เรานอกจากเรื่องอันนี้เท่านั้นจะทําความยุ่งยากต้นเหตุของเรื่องก็ถูกทําลายฐานที่ตังของเกียรติฐาอาสวะทุกอย่างก็ถูกทําลายเยว่าที่มันถูกทําลายจะหมดเนี่ยด้วยปัญญา แล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อเรามันไม่มีตามันก็เป็นทางเดินของจิตหูจมูกดิ้นกาก็เป็นทางเดินเข้าออกของจิตเท่านั้นไม่มีกิเลสปัญหาอันใดอยู่กับตาหูจมูกดิ้นกาไม่มีกิเลสปัญหาอันใดอยู่กับลูกแหวงยืงนรถเครื่องสัมผัส น, นอกจากจะอยู่กับจิตผู้หลงตรงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เข้าเข้าออ ก, ออกตามความหลงของตนแล้วก็ได้ถูกกําังลอก ออกสิง่งที่เป็นข้าศึกเอาหมดไม่มีในเหลียญอะไรจะเป็นยิ่เด็ดตัญหาที่ขันก็กลายเป็นขันม้มวนๆไปลูกเวทนาสัญญาสังขารจิต ญ, ญาณทีเ่เคยถือว่าเป็นค้าทุกหลอกลวงตนเองมันก็มีธรรมชาติที่ทําให้หลอกลวงอยู่ภายในอันนี้มันเหมือนกับผลอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกวิชาจับเชื้อไปเชื้ดมาอยู่นั้นแล้วเราก็ตื่นเงาของเรา พอตัวธรรมชาตินั้นได้ถูกทำลายไปเสียด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความสเสีลีล่ยเฉลี่ยงพอแล้วสิ่งอันนี้ก็คงที่อยู่ของไทยของเรารูป ก, ก็ต้องเป็นเลืกอยู่ในนั้นเสียงอเวทนาธยาตั้งขามวิญ ญ, ญาณตลอดสภาวะธรรม ท, ทั่วทไปทั้งภายนอกภายในก็กลายเป็นปกติธรรมนาของโตนไม่ถูกใครไปตำหนิอิจฉชมรือปกปันเฉลีลากกา่ยแรงยึดหมายเอาไว้และไม่ถูกบังคับกดขี่อะไรทั้งนั้นนื่น เนี่ยที่จุดเรื่องภายในของเราจะแสดงอะไรขึ้นมาอีกล่ะเมื่อเจ้าเรื่องมันก็หมดไปแล้วมันก็ไม่มีท่านเนี่ยคือท่านบาสุขโตอยู่ก็ดีไปก็ทีสมาเป็นไงเรื่อสิ่งที่เคยเป็นนุ่งสาษาหรือเป็นค้าศุกก็แล้วเมันก็ไม่มีแล้วอะไรจะสมาเท่ากิจหมดเรื่องของตัวไม่มีแล้วในโลกนี้ แม้ธาตุขันจะเป็นความที่คนมีการขึ้นมาเจ็บเจ็บท้องปวดหมดมัวก็รู้ตามธาตุตาคขันแต่เสียมันเป็นทุกข์ธรรมดาของธาตุขันที่ยังเป็นเรื่องของทุกอยู่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปของเขามันไม่ดับรูปมันเกิดขึ้นมากขันมันทนไม่ไหวมันก็แตกแตกแล้วมันจะไปที่ไหนก็ปล่อยตามสภาพของเขาแต่เวลามาเข้ามาจากที่ไหน มาเป็นธาตุเป็นขันของเรานี่เขามาจากที่ไหนเขาก็จะไปสู่ที่น่ะนัน่นจิตทะลุแล้วจะไปหลงอะไรอีกธาตขันขก็รู้ว่าธาตุขันยังมีชีวิตอยู่ก็รู้แตกไปแล้วจะไปหลงที่ไหนน่ะมันต้องรู้อย่างนั้นเขามารู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ในถอดอะไรเจะแล้วเวลาแตกลงไปแล้วจะไปถืออะไรกันที่ไหนมันไม่มีที่จะถือเพราะยังมีชีวิตอยู่ก็ธาตุอันนี้แตกไปแล้วจะเป็นธาตุอะไร มั่นก็เป็นท่าเดิมของเขาดินนั่งลงใช้ท่าเดิมของเขาเความรู้ก็เป็นธรรมชาติที่นี่ไม่ได้หลงความสุขอันสมบูรณ์ของใจคำวาาา่าสัพปาริสัสเสสนิาพา์ก็คือมีความบริสุทธิ์ภายในจิตโดยสมบูรณ์แต่ยังอาศัยธาตุันอยู่ รับรู้เรื่องเวทนาทั้งสามที่เกิดขึ้นในขันอยู่เท่านั้นแต่ไม่ได้ซึมซาบถึงใจอนุภาตที่เสียสติพันธ์ก็คือว่าธาันแตกสลายปล่อยลงไปตามเรื่องของเขาจุดที่มีความเมื่อยจุดเด่นดวงหน้าขอนถอนตัวออกไปและไม่ต้องประยุทธ์มั่นถือมั่นที่ไหนอมันก็หมดบ่อยความขังวน ถ้านั่งประมาณงครั้งอาจจะไ้หาที่ไห น, น, นไ ม, มีที่หาอ ท, ที่ไหนก็นเป็นนิพพานอยแล้วนั่งอยู่ก็เป็นนอ น, นอยู่ก็เป็นเป็นอย่แค่นี้มันก็เป็นนิพพานท้าใจบนขุดแล้วตายแล้วจะไปเป็นอะไรไม่องนั้นท่านจะเรียกว่าท่าคงที่อย่าก็คงทีง่ไม่เป็นไปตามสภาพของอันใด การปิบัติทเพื่อผลประจักษ์ใจก็ต้องปรกากฏได้ในผูุ้นใจกระการปฏิบัติเช่นเดียวกับเราที่แวงหาทัพย์สมบัตภายนอกนั้นเใครมีความขายันมันเพี่ยนและมีความเสัยสละต่อการแสวงหาทัพย์มบัค น, นั้นก็ต้องได้ตัดตามกำลังความฉลาดของ ต, ตืที่แสวงหาทํามะของเหมือน ภานอกภายในไม่เกิดขึ้นแตจากโรกจากปุคคลมันอยู่เช่นเดียวกันธรรมาทําไม่ใช่ฟากระโลกอับ น, นี้ไม่ใช่ฟากคนคนนีคือไม่ใช่ฟากระเราไปมันอยู่กับเราตั้งสมบัติภายนอกก็อยู่กับเราสมบัติภายในก็อยู่กับเราผู้จะตั้งหน้าฏเตห า, าด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความฉลาดของตนใครมีความขยันหมั่นเพียรและฉลา ด, า ม, า ม, า ม, ด ม, มากน้อยแค่ไหม ก็ต้องหาทรัพย์ไตามฐานะทังตนเรื่องทรัพภายในก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนั่นก็ได้มีความพาคพูมิต่อการอบรมตนอย่าให้กิเลสที่เคยฝังลากฐานสรางบ้านต่างเรือนอยู่ภายในหัวใจมาแสดงความรอบคอเป็นจิตเป็นสิ่งที่จะกีดขวางทางเดินของเราการเป็นธรรมจะเขาจะหามา เป็นความทุ้มความล้อความระมัดความ ม, ามุ่งเป็นเหตุให้ขาดจิตขาดการขาดงานขาดรายได้รายรวยอะไรจะเป็นอะไรต่างๆมีเรื่องของเงินจะต้องแงสวงขึ้นมาแล้วก็การสแสวงหาทรัพย์ภายนอกว่าเราตป็นคนสแสวงหาเองมันจะขาดไปที่ไห น, นเรายังมีการสแสวงหาอยู่แล้วก็ต้องเป็นผู้จะได้ทัดมา เป็นสมัตของตัวเช้นเดียวแต่การแสวงหาธรรมะก็จะสูญเสียไปไหนสมบัติทั้งสองนี้เป็นหน้าที่ของเราจะหาลายเลยตรงนี้ร้สึกวิจิตติเพยาภายในจึงข อ, งของภัยจนนากปัญญาทา ง, ง, า ง, ทางจิตวิญญาณแสดงธรรมเกียวกับนี้ขอความคมการปฏิบัติตรงปฏิบัติ อือ